พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14สุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตวัคที่สชื่อสุญยาตวัคแปลว่าวัคมีสุญตาตสูตรเป็นหัวหน้ามีสิบสูตรพระสูตรที่21จุลละสุญยาตสูตรสูตรว่าด้วยความว่างเปล่าสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณนปราศาทตรของนางวิสาขาในบุพาราม ใกล้กรุงสาวัตถีตรัสตอบคำถามของพระอานนท์ถึงเรื่องที่ในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันคือขณะนั้นทรงอยู่โดยมากด้วยสุญญ า, าวิหารคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือการทำในใจถึงความว่างเปล่าพร้อมทั้งทรงแสดงรายละเอียดในทางปฏิบัติโดยการไม่ใส่ใจถึงสัญญาอย่างหนึ่งคือความกาหนดหมายอย่างหนึ่งแล้วใส่ใจความเป็นหนึ่ง โดยอาศัยสัญญาอีกอย่างหนึ่งสูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วพิจารณาถึงสัญญาที่ไม่ใส่ใจว่าศูนย์แต่นึกว่าสัญญาที่กําลังใส่ใจอันมีอารมณ์สูงกว่าว่าเป็นของไม่ศูนย์เริ่มต้นแต่ไม่ใส่ใจมนุษย์สัญญาคือความกาหนดหมายในมนุษย์แล้วใส่ใจในอรัญยสัญญาคือความกาหนดหมายในป่า เลื่อนระดับสูงขึ้นไปจนถึงทำอาสวะให้สิ้นได้เป็นที่สุดแล้วตรัสว่าสมณะหรือพรามในอดีตอนาคตปัจจุบันที่เข้าสู่สุญญาตาอันบริสุทธ์ยอดเยี่ยมก็จะเข้าสู่สุญญาตาตามที่ทรงแสดงมาแล้วนี้อยู่พระตไหรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14บสี่ พระสูตรที่22มหาสุญญ า, าสูตรสูตรว่าด้วยความว่างเปล่าสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณ น, นิโครทารามใกล้กรุงกระบินลพัดแขวนสักกะตรัสกับพระอานนท์ถึงเรื่องการเข้าสุญญ า, าภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงคือทำใจให้ว่างจากความเกาะเกี่ยวเข้าชาญที่หนึ่ง ถึงชาญที่สแล้วใส่ใจสุญญาตาภายในมีความรู้ตัวอยู่เสมอแล้วใส่ใจสุญญาตาภายนอกสุญญาตาทั้งภายในทั้งภายนอกใส่ใจในอนเนญชาแล้วคอยกาหนดดูว่าจิตจะน้อมไปเพื่อสุญญาตาภายในเพื่ออเนญชาหรือไม่ครั้นแล้วตรัสสอนให้มีความรู้ตัวในความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งกายวาจาใจต่อจากนั้นทรงสแสดงอุปัททวะคืออันตรายแห่งอาจารย์แห่งสิทธิ์และแห่งการประพฤติพรหมจรรย์และตรัสว่าอันตรายแห่งการประพฤติพรหมจรรย์มีผลร้ายมากกว่าอันตรายทั้งสองข้างต้นและตรัสสอนให้ปฏิบัติ ต, ต่อศัสดาชันมิตรไม่ใช่ฉันศัตรู คือให้ตั้งใจฟังธรรมก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขสิ้นกาล น, นานในที่สุดตรัสว่าพระองค์ทรงว่ากล่าวทั้งในทางคมทั้งในทางประคองคือไม่ใช่มุ่งแต่ลงโทษหรือมุ่งแต่ยกย่องเพียงอย่างเดียวผู้ใดมีสาระก็จะดำรงอยู่ได้